เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ไฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่หนึ่งม ก, การาคมพุทธศักราช5 5 1เป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันแรกของปีสองพันห้าร้อยห้าสิเ็ดพวกเราชาวพุทธผู้มีจิตไฝ่บุญไฝ่กุศลมีศรัทธาความเชื่อในพระบรมศาสดาพระอรหันตสัาสมมาสมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงได้มาที่วัดกันเพื่อมา เปิดบัญชีบุญของปี 2,551 เพราะการมาวัดก็เป็นเหมือนกับมาเอาบุญมาฝากไว้ในธนาคารบุญนั่นเองเพื่อเราจะได้อาศัยบุญนี้ในอนาคตและในปัจจุบันในปัจจุบันจิตใจเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจในอนาคตรเราก็จะมีสิ่งที่ดีต่างๆรอเราอยู่เช่นได้ไปเกิดในสุกติไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมบ้างชั้นเทพบ้างหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ดีไม่ยากจนมีสมบัติเข้าขอเงินทอง พร้อมบริบูรณ์มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสและถ้าเราสามารถปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้พัฒนาไปถึงกันเพราะการพัฒนา ทางจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการเจริญที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความเจริญที่ไม่มีความเสื่อมตามมาต่างกับความเจริญในทางโลกคือในทางลาบยศเสริญสุข เป็นความเจริญที่มีความเสื่อมตามมาเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเช่นเรามีเงินทองมากมายเพียงไรสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเงินทองทั้งหลายไปเรามีความสุขมากมายเพียงไรสักวันหนึ่งเราก็จะต้องทุกข์กับการพัดพลาจากความสุขต่างๆไป แต่ความสุขและความเจริญทางธรรมนั้นไม่มีความเสือ่อมไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าได้พัฒนาจิตใจไปถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะเป็นปรมางสุขขันเป็นบาร ม, มีสุขเป็นความสุขที่มีอยู่ติดกับจิตใจไปตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมคลายดัง ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้บรรลุถึงท่านได้ถึงพระนิพพานที่ไม่มีความเสื่อมที่ไม่มีความทุกข์พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย เราจึงไม่ควรมองข้ามความสุขและความเจริญทางด้านจิตใจไปอย่าหลงไปตามความสุขและความเจริญทางโลกทางลาบทางยศทางสรรเสริญทางการมาสุขที่มีความเสื่อมตามมาที่มีความทุกข์ตามมาขอให้เรามุ่งมั่นไปสู่ความสุขและความเจริญ ทางมรรคผลนิพพานเพราะเป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริงนั่นเองและการที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ได้เราก็ต้องปฏิบัติเราต้องศึกษาพ่อธรรมคำสอนแล้วก็นําเอาเพ่ะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเรา ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งถึงเวลาหลับเลยเราควรที่จะเจริญทำอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเช่นเจริญสติธรรมเป็นต้นให้เรามีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้เรารู้อยู่กับการกระทำนั้นๆไม่ว่าเรากำลังเดินกาลังนั่งกาลังยืน กำลังพูดกำลังทำอะไรต่างๆให้เรามีสติรู้อยู่กับการกระทำนั้นๆอย่าปล่อยให้ใจของเราไปคิดถึงเรื่องที่อยู่ไกลตัวเราอย่าไปคิดถึงเรื่องในอนดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องในอนาคตที่ยังไม่มาถึงถ้าเราสามารถควบคุมใจของเรา ด้วยสติให้อยู่ในปัจจุบันได้ใจของเราจะมีความเยือกเย็นมีความสงบมีความสบายใจเพราะเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดในเรื่องที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรานั่นเองนี่ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งที่เราสามารถเจริญกันได้ตลอดเวลาเรามีสติแล้ว เราก็จะสามารถเจริญทาอย่างอื่นได้คือการทําบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบและการเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปถ้าเรามีสติเป็นผู้นำไป แต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะถูกความคิดต่างๆมาหลอกให้เราไปหลงกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้แล้วจะทำให้เราลืมเรื่องของการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าลืมเรื่องของการเจริญในทางมรรคผลผนิพพานว่าเราจะถูกความคิด ที่มีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงชักใหญ่ให้เราไปโลกไปอยากได้ในความเจริญทางด้านลาบยศเสริญสุขนั่นเองและวันเวลาต่างๆก็จะผ่านไปหมดไปจนกระทั่งไม่มีเหลืออยู่พอถึงเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไป เราก็จะไม่มีอะไรติดไปกับใจเลยเพราะเราไม่ได้ฝากสิ่งที่จิตใจสามารถเอาติดไปได้คือบุญกุศลทั้งหลายนั่นเองดังนั้นในวันเริ่มต้นแห่งปีนี้เราจึงควรเริ่มต้นให้ถูกให้เป็นคุณให้เป็นประโยชน์ด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการทําบุญให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการฟังเทศฟังธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาก็ดีขอให้เรา หือเป็นงานที่แท้จริงของเรางานอย่างอื่นเชน่นการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองถือว่าเป็นงานสนับสนุนเพื่อที่เราจะได้มีกําลังวังชาไว้มาปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติ ตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วชีวิตจิตใจของเราจะไม่ได้รับการพัฒนาจะไม่ได้รับการดูแลรักษาให้แค้วแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงชีวิตของเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามบุญตามกรรมที่เรา ทำกันไว้ในแต่ละพบแต่ละชาติจะไม่มีทางเงยหัวขึ้นมาได้รับกับความสุขที่แท้จริงเลยดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องมีสัจจะอธิษฐานอธิษฐานนี้ในทางพุทธศาสนาแปลว่าความตั้งใจอธิษฐานนี้ไม่ไม่ได้หมายถึงการขอขอสิ่งต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นขอให้สุขให้เจริญให้แค้วแาดปลอดภัยอย่างนี้ไม่ใช่ความหมายของคำว่าอธิษฐานคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจเช่นวันนี้เราจะมาวัดมาทำบุญกันได้เราก็ต้องมีความตั้งใจไว้ก่อนเช่นเมื่อวานนี้เราได้ตั้งใจไว้ว่าวันนี้วันที่หนึ่งวันขึ้นปีใหม่ มาวัดมาทำบุญทำทานกันนี่แหละคือคําอธิษฐานเป็นอย่างนี้คือขอความตั้งใจและเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจต่อต่อสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ถ้าเราไม่มีความจริงใจเราตั้งใจไว้เราอาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นพอตื่นขึ้นมา รู้สึกว่ายังอยากจะนอนต่อก็เลยเปลี่ยนใจอ่ะวันนี้ไม่ไปวัดและ้วล่ะไว้ไปวันหลังก็ได้ขอนอนก่อนเพราะเมื่อคืนนี้ออกไปเที่ยวข้างนอกกลับมาดึกถ้าไม่มีความจริงใจก็จะลงกลับไปนอนต่อแต่ถ้ามีความจริงใจคือมีสัจจะก็จะลุกขึ้นมาทันทีจะไม่ให้ความง่งเหงาเหานอน นั้นมาเป็นอุปสรรคต่อการมาวัดเพื่อมาทำความดีเพื่อประโยชน์สุขขอแก่ตนเองนั่นเองดังนั้นแม้ว่าเราจะทำอะไรก็าตามเราต้องมีศัจจอธิษฐา น, นเช่นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีศัจจ์อธิษฐานถึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ตอนที่ทรงนัปรัตถ์อยู่ใต้ต้นโพ ก่อนที่จะตัดสรุปก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะขอนั่งภาวนาจเจริญสมสถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปจนกว่าจะตัดสรุปไปจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานถ้ายังไม่ตัดสรุยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้โดยเด็ดขาด ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะยอมขอยอมตายถ้าไม่ได้บรรลุไม่ได้ตัดสรลูก็จะขอตายกับการนั่งภาวนานี้จะลุกขึ้นก็ต่อเมื่อได้บรรลุได้ตัดสรลูแล้วเท่านั้นนี่คือความหมายของคำว่าสัจจะอธิษฐานไม่ว่าอะไรก็ตาม ที่เราต้องการเช่นความสุขความเจริญความสมหวังความแค้วแกราดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆทั้งหลายจากภัยต่างๆทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นจากการสร้างเหตุที่ดีการกระทำที่ดีนั่นเองเช่นการทำบุญการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเป็นการ สร้างความสุขและความเจริญแต่ถ้าเราไม่สร้างมันเราเพียงแต่อธิษฐานขอขอให้เรามีความสุขและความเจริญขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้เราขอไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลนั่นเองเหตุของความสุขและความเจริญนั้น ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นถ้าเราไม่ขอแต่ถ้าเราได้ทำเราก็จะได้ถ้าเราขอและเราทำด้วยเราก็จะได้เช่นกันแต่ถ้าเราขออย่างเดียวแล้วเราไม่ทำเราก็ไม่มีทางที่จะได้เช่นเราอยากจะเรียนหนังสือให้ได้ปริญญา แต่เราไม่ไปโรงเรียนเราหนีโรงเรียนเราไม่อ่านหนังสือต่อให้ขอต่อให้อยากได้มากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่สามารถได้ปริญญาเพราะปริญญานี้เป็นผลที่เกิดจากการไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปตั้งใจฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ตั้งใจทำการบ้าน เท่านั้นถึงจะทำให้เราได้รับประเล่นยาฉันใดการปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามเช่นมรรคผลนิพพานหรือสุขคติการได้ไปเกิดในสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้กลับมาเกิดเป็นคนที่มีฐานะดีมีรูปร่างหน้าตาดีไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดจากการกระทำของเราเช่นเดียวกันการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำกันนั่นเองคือให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้ชำระใจให้บริสุทธิ์คือกําจัดความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นเหตุที่จะทำให้เรา ได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเสกไม่สามารถเป่าให้เราวิเศษขึ้นมาได้ให้เราเจริญขึ้นมาได้ให้เราพ้นจากนรกพ้นจากอบายได้ไม่มีใครทำได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครจะมาสามารถลบล้างกฎแห่งกรรมนี้ได้และไม่มีใครสามารถทำแทนกันได้พ่อแม่ทำบุญทำทานแทนลูกไม่ได้ลูกทำบุญทำทานแทนพ่อแม่ไม่ได้ทุกคนต้องทำกันเองเรียกว่าอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนดังนั้น ถ้าเราทุกคนปรารถนาความสุขความเจริญไม่ต้องการพบกับความทุกข์กับความเสื่อมเสียทั้งหลายเราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานในวันขึ้นปีใหม่นี้เลยว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตามกําลังของเราเท่าที่เราจะทําได้ถ้าเราทําบุญทุกวันได้ก็ขอให้เราทําบุญ ทุกวันถ้าเรารักษาศีลได้ทุกวันคือศีลห้าก็ขอให้รักษาศีลไว้ทุกวันถ้าเราม า, มาวัดได้ทุกอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นวันพระก็ดีหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีก็ขอให้เราทำให้ได้มาให้ได้เพราะถ้าเราได้ได้ทำแล้วเราจะได้แต่สิ่งที่ดีกลับไป จิตใจของเราจะดีขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าดังนั้นการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีศัจจาอธิษฐานเราต้องมีความตั้งใจและมีความจริงใจต่อสิ่งที่เราตั้งใจ เช่นเราตั้งใจว่าตื่นเช้ามาทุกวันจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนที่จะไปทําภารกิจการงานต่างๆเวลาก่อนนอนก็จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนที่จะหลับนอนถ้าเราตั้งสัจจ์อธิษฐานนี้ไว้แล้วขั้นต่อไปที่เราต้องทําก็คือต้องมีความภาคเพียรต้องมีความขยัน ไม่ใช่ตั้งไว้เฉยๆพอถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็ลุกไปทำภารกิจอย่างอื่นเลยหรือถึงเวลาจะนอนก็นอนเลยโดยไม่ได้ทำการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตามที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ถ้าเราไม่ทำการตั้งไวการตั้งอธิษฐานนี่ไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผลคือความสุขความเจริญ ของจิตใจก็จะไม่ปรากฏตามขึ้นมาดังนั้นหลังจากที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วสิ่งที่เราต้องมีอยู่ขั้นต่อไปก็คือวิริยะความภาคเพียรความขยันและต้องมีขันติความอดทนด้วยเพราะบางครั้งเราใจของเรารีบร้อนอยากจะไปทาอย่างอื่นหรือบางทีเราง่วงนอน เราอยากจะนอนทันทีเราก็ยังนอนไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทำภารกิจที่สำคัญไม่มีภารกิจอันใดในโลกนี้ที่จะสำคัญเท่ากับภารกิจของจิตใจภารกิจอย่างอื่นนั้นเป็นภารกิจที่สนับสนุนในการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ได้เท่านั้นเองแต่ไม่สามารถพัฒนาจิตใจ หรือให้ความสุขให้กับจิตใจได้หรือป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้มารุมเร้าจิตใจได้มีภารกิจทางศาสนาเช่นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นนี้เท่านั้นที่จะสามารถดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ ให้เรามีความเจริญก้าวหน้าได้อยู่ตรงนี้ดังนั้นขอให้เราเห็นว่าการสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็ยนนี้เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารก็แล้วกันร่างกายต้องการอาหารวันละสามมือ้อใจของเราก็ต้องการอาหารวันละสองมื้อเป็นอย่างน้อยคือการไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบนี่เอง เพราะถ้าจิตใจเราสงบแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายและถ้าเราจเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วยว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีการตายเป็นธรรมดาย่อมมีการทัดท่าจากกันเป็นธรรมดา ถ้าเราเ จ, จเริญธรรมะบทนี้อยู่หลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก่อนที่เราจะไปทำภา ร, รกิจการงานต่างๆเราจะมีธรรมะไว้คุ้มครองจิตใจเราเวลาเราไปเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ไม่ปรารถนาเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเช่นเราเห็นคนที่เรารักต้องเจ็บไข้ได้ป่วย หรือต้องตายไปเราจะรู้สึกเฉยๆ เ, เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็เป็นเราก็เป็นทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องเป็นด้วยกันเหมือนกันหมดจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญทำบทนี้เราไม่ได้ทําจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งทําสมาธิ เวลาเราออกไปทางานทำการไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเราจะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หลบภัยเวลาเราต้องสูญเสียอะไรไปเราจะเราจะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่กับใจเราใจเราจะรู้สึกเฉยๆอะไรจะมาอะไรจะไปก็เป็นเรื่องธรรมดา พอใจรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราสามารถยึดให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเรามีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เป็นสารณะที่พึ่งที่แท้จริงธรรมะที่เกิดจากการทำสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญานี้เองถ้าเราได้ทำอย่างนี้ต่อเนื่องแล้ว ต่อไปจิตใจของเราจะมีมีที่พึ่งมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขไม่ต้องการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมามันมีความเจริญแล้วมันก็มีการเสื่อมได้อะไรมาใหม่ๆก็ดี แต่พออยู่ไปนานๆเข้ามันก็เก่ามันก็แก่มันก็เสียมันก็พังไปในที่สุดแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราแล้วเราจะไม่มีความเสือ่อมไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะธรรมะนี้เป็นอาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมตามการตามเวลาอยู่ในใจของเราไปตลอดให้ความสุขเป็นที่ พึ่งของเราไปได้ตลอดอย่างแท้จริงสิ่งอื่นๆในโลกนี้บุคคลอื่นๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องมีการเสื่อมไปในที่สุดนั่นเองดังนั้นจึงขอให้เราพยายามตั้งสัจจะอธิษฐานให้เราได้ประพฤติปฏิบัติทำไปเรื่อยๆ มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราถ้าสามารถไหว้พระ ส, สวดมนต์ได้ทุกเช้าเย็นก็ตั้งไปตั้งสัจจะไปถ้าสามารถทําบุญได้ทุกวันเช่นใส่บาตรได้ทุกวันก็ตั้งสัจจะอธิษฐานไปถ้ารักษาศีลได้ทุกวันก็ตั้งสัจจะอธิษฐานไปแล้วรับรองได้ว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะมีความทุกข์น้อยลงจิตใจของเราเจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถึงจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้เจริญไปถึงได้เมื่อเราถึงจุดนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปเพราะเราได้ถึงจุด ที่สูงสุดแล้วเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็มีแต่อยู่กับความสุขไปตลอดไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปทุกข์กับพบน้อยพบใหญ่ไม่ต้องไปทุกข์บบ ก, กับการพัดพรากจากกันอีกต่อไปนี่คือความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่พระศาสนาได้มอบไว้ให้กับพวกเราแล้ว อยู่ที่พวกเราว่าจะมีสติปัญญาพอที่จะสามารถเอามาเป็นสมบัติของตนได้หรือไม่เท่านั้นจึงขอให้ท่านจงพยายามน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระธรรมคำสอนและพยายามปฏิบัติไปเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้แล้วความสุขและความเจริญ ที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการตั้งสัจจะอธิษฐานบางเพนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี้เป็นพรเพื่อให้ท่านได้มีความสุขและความเจริญทั้งในปีนี้และปีต่อๆไป